พระธรรมเทศนาแผ่นที่109ราลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าประโยชน์ตนประโยชน์สังคมโอ้หลวงพ่อมามาหมื่ซุ้มเมื่อย็นอิเลวะ โตโตโตโน้ำถั่วท่าเมื่อไหร่เฝาเ้าแล้วเฝอเ้าเฝอวายยังไม่ยังนะ <c oughs> เดี๋ยวจะออกบ่ไดได้เนี่ยเข <c oughs> ้ล า, าลฮะนอนกินข้าว <c oughs> โอ้บ่ใดแหละมีอะไรบ้างตะทนียญาติโยมคงจะคงจะมาไม่มากเคะละมังโวกนหลบพ่อวันน้ำถ่วท่าก็แห้งเลยว่ะ เออแต่หลวงพ่อก็ถามดิเด้โทษนะถามบนบเป็นอะไรพ่อไปได้บลาหน้ํามันถ่วเมืองสะกนเด้สะกดนครกับถั่วนครแกนกับถั่มในวัดหลวงพ่อกัน่ะก็บท่ามน้ําก็ขืนดืวยกันได้แก็หลวงพ่อก็อยากมันย่ันวัดหลวงตาเนี่ยถั่วบ่เนี่แล้วก็เลยโทษมากเลยมาได้จะรอกมาได้จะรอกปรสจันท์ไหวเออ พ้อบาหมันไปใดบระษันีวะรถคันนึงเขาก็เลยแล่นมาก่อนนุองพอได้แล่นน้ำกดนะโอ้โตโตโตตโนีมันเกือบถวมรออคนนะทำนียังกับเฝ้าเ้าเ้าแล้วก็เฝ้ากลับเดี๋ยวหน้าไม่นะถว่มนะคืออันดับแรกก็คือไหวพระเนาะไหวพระแล้วก็ธรรมาท่านศิลอ์บ้านแล้วก็ จะถวายผาป่าก่อนก็นได้นะ <Okay. S 1> อะถวายผาปา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วบาดเหนื่องลูกพองไงโอวานในเมื่อไหโอวานเรียบร้อยแล้วก็จะใหพ้อนเริ่มแล้วคืออันดับแรกคือไหวพ้พระเอากราบพร้อมกันนั่น ล, ลูกละนะเอาอะราหังซัมมา ญายาโยมลูกหลานเอที่บอกเป็นภาษาไทยนี่เป็นว่าภาษาบ้านเฮ้าดีเนาะเฮ้ามือนนี่ฮะภาษาบ้านเฮ้าเนาะก็จะได้ฟังง่ายๆกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคณะทาญาติโยมคณะวาหลวงพอบออพออา่าหน่อยหลวงพ่อย่านหนาถ่วมทางวนไปให้เทววันไอ้ถือว่าหวาลวงพอบ่าหน่อยก็ย่านไอ้ือว่าหลวงพอ น้ำถวมท่างและถึงจะไดกระตมเอ็มพี่สามกับหนังสือนะลงพอเตรียมไม้สำหรับแจ ก, กงานโยมโยอแล้วจะมอบให้ลงลงมอบจะมอบให้ลงพอสมพาษนะเป็นผูแ้แจกคนออกไปเออเอามาคือว่าหลายที่จะเป็นลอยหลายลอยเหลี่มยุแก็คิดว่าอาจจะเพียงพอ่อเอ่พราะนั้นลงพอถึงจะบอบว่าลายกันนี่แหละ เอ็มที่สามก้อนหนังสือหลวงพ่อเ ท, แทนนะ่แท่นเนอแท่นหลวงพ่อเราไปเออเอาไปเปิดไปคุยเปิดใจนันรถเอาไปเปิดใจเครื่องแล้วกับฟั่งเลยเอแผ่นนึงนะแผ่นนึงเนะ่ยฟั่งจากเมืองอุดรฮ อ, อดกรุงเทพและ ก, กับกับจากกรุงเทพมาฮอด อ, ด อ, อุดรมัดไปแผ่นหนึ่งเออปา่นั่นแ่ะประเด็หลวงพ่อไม่หายหลายแผ่นเลย ให้พ่อเข้าถูกหลันจะทานยาด้วยผมไปฟังแต่หลวงพอ่อเมื่อนี่หลวงพ่อกับฟังแล้วฟังอีกตั้งแต่เมื่อว่านนี่นะเมื่อว่า น, นี่หลวงพ่อกัไปหนุได้มากกับคารวาลงปูรี่ผ้าแดงเ อ, อมาถวายจะตุอปัจจัยเพิ่น น, น่ะหละังจากนั้นก็ไปขึ้นไปทํากองเพ่งไปกราบลงปูเพ่งลงปูเพ่งถามกองเพ่แล้วก็ขึ้นไปกราบคารวะ เจดีหลวงปู่ขาวหลวงปูยย่ใหญ่เฮ้าแล้วก็จากจากนั้นก็แยกย้ายกันกับพวกไปหลายวัดอยู่มาว่านเองไปกับพระวะคูบาอาจารย์แต่ทึ้งยังไรก็ตามนัดหลวงพอสุทมบ้านน้องไยอําเภอเมืองสะกดนะมาพบกันอยู่วัดหลวงปู่ลีเนอร์ายโม่งวะบาดหาหอดมาหอดเคิททงทาง่าทั่วโว้ยไปบ่ไหนแ่ท่งขาดแล้ว เ, เมืองสะกน้ามม พอร์ดลังค่ารถเก่งพุก น, นั้าวสันไปบ่ได้แต่ท่านอาจารย์เด้อวะสันนว่ว้าไปาเนหลวงพ่อก็เลยกล็ไปถึงวัดเลยเอยของหลวงพ่อนี่ผ่าป้านี่เดินซำหนักสงสงเราข่ำนี่ที่ไปได้บ่อันนี้นะวะก็เลยทุบๆตมตมๆโยนะไปก็เมื่อเศร้านี่นก็เลยจันทร์แังหันเลยเลยท้อมาถามว่าเข้าไม่ได้บ่ เออน้ามบอถั่มบอเออบอถ่วมดอกลบพบอหนึ่งมาได้โยกหัว่าบาดทําม้าเห็นเมื่อกี้ต่ตาตายฮะนี่วะสิกเขาได้บ้านีวเออบาดนี้รถค้าเดินไล่แรดก่อนหน่วยแรนก่อนก็คือรถเท่ากัสูงเติบจุหวัดน่าจะไปได้วะก็เลยตามรถคันรถคนนั้นมาเนี่ยเอ่อมาหัวละลพบอเองเงี้ยงบอสบายใจอยู่เลยยันออกก็ได้บาดนี่ เออเพราะบอร์เบอร์แ่ยางรถมันเรียบพ่องมากเนี่ยน้ำก็พลังขึ้นอยู่คนนี่เฮ็ดยังไงฮะเนี่ยเออขั้นกลับออกไปตายแ ล, ออกกแล้วบรรอองคนใดเราพอยังถามอีกได้หวาดเนี่ยมีชักท่างออกจากนี่ออกจากนี่ไปใดมีชักทางมีท่างเดียวทุนนี้แล้วแต่ว้าวขั <laughs> <laughs> ้พี่ทัาขึ้นออกได้ก็ยังค่ายอยู่มีท่างเดียวอีกฮัเนี่ย <laughs> นั่นแหละ เพราะนันหลวงพ่อจีบเบาๆจีบเบาตัวเนี่ลูกหลานเนียเนี่ยเบาจัหน่อยเออเบาพ่อหอมปากหอมคอหลวงพ่อก็เฝ้ากับล้วะญาติน้ำปวดท่าเนี่ยหนังสือรวมทำรวมทำอันเลิศกำเนิดมรคนกาเนิดมรคนและก็เอ็มที่สามของหลวงพ่ออีก เอามาแจกให้ชาธายาติโนมเอาแล้วนาทานีนะเดี๋ยวหลวงพ่อจเว่ายัางให้ฟังบัดนี่อยู่ในความสงบรละลุหลานะเงียบ้ะบัดนี้นะเมื่อนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งสำหรับวัดตำหนักสงหลงเลาข่ำของเห้ามาข้าวก่อลงพอกันในมารอพระพุทธพฏิมาคงจะเป็นองค์นี้มั้งเหระ พอหลบหลวงปู่มันนี่ยเดมาเข้าในมาเข้านึงแล้วมาพบกับคณะศรัทธาญาติโยมกรูจึือว่าโ อ, อุลอุนหนาฟ้ากั ง, งวันนี้ลงเข้านี่ลงตาพมได้คิดเพิ่เกิดไปนิมนต์หลวงพ่ออีกหลวงพอ่อเออเคยไปครั้งนึงแล้วแล้วก็พนกับ น, นมิมนต์ว่าข้านี้ได้ยินทราบข่าวว่าหลวงพอ่อได้ซอยโลงพยาบาล ดังโรงพยาบาลศรีนครินโรงพยาบาลศูนย์คอนแกนโรงพยาบาลศูนย์อุดรนและก็หลายๆแห่งที่ลพอซอยโรงพยาบาลเมื่อกี้นี่ลพบพรีก็ให้เครื่องมือแพทยประมาณานนขนาดก้อนข้อพันษาหน่อยหนึงนี่นะให้เครื่องมือแพทยตัวห น, น, น, นะ น, นึ่งสองล้านหแสนะครราชสทมาญาติโยมเออนี่แหะเครื่องมือแพทย เครื่องมือแผทเครื่องนี้คืออย่างก็คือทางโลกพยาบาลศูนย์กรอนแกนเขามาว่าก็ลงคอว่าอยากจะได้เครื่องมือเออเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้เคยใส่มาแล้วหลายปีแต่เดี๋ยวนี้มีหมอกระหลายคนเออที่เกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับตาเรื่องนี้แต่ว่าหากผมมีเครื่องมือแผทเ อ, อเรื่องเครื่องมือแผทตัว น, นี้ก็ใส่มาหลายปีอยากจะได้เครื่องมือแผทตัวใหม่หลงคอจะฟ้อหา เมตตาให้พวกกระผมได้โบนอนะ่อดีฉันได้โบน อ, นะอ่อด้วนเออลงพอกเออเท่าไรละ่ละราคาเขาก็บอกว่าเขาขอสามเป็นสามขยักนะ่ะขยักนั่นก็คือตัวหนึ่งหนะี่ยราคาล้านพกแสนตัวที่สองเนี่ยสองล้านตัวที่ 3, สามนี่ยสมล้านแต่ในตัวที่เขาก็บอกว่าทางว่าเป็ดไปได้เนะี่ยเขาอยากจะได้ตัวสามล้าน ขั้นบ่ได้ตัวสามล้านเนี่ขอต่อขอตัวล้านพกเอาเป็นอย่างบ่ตอตัวสองล้านเพราะตัวสองล้านนี่ใส่ไปอีกแนวหนึง่งบ่ใส่บ่อตรงเป่าปันได้ทำมาตัวล้านพกี่เป็นเครื่องน่อยกัจริงอยู่แต่ใส่ตามเป้าเข้าตามเป้าที่ต้องการแต่ตัวสามล้านนี่ใส่ควบกุ้มมัดทั้งสามตัวมีประโยชน์ควบกุ้มทั้งสามตัวได้ลงควาอเอาหลับไปพิจารณา ก, ก่อนเนดะ้ หลวงพ่อกับพระท่านได้รับเลยพ่อรับมาแล้วก่อถามยาถามโยมเลยค่ำกระเปา๋าใส่กับปัม๊มกระเป๋าขวายเจ้าของบางแล้วนังไปอน่าจะเป็นไปได้นะ <S <S <S ขนาดนี้ว่าเราไปเออบ้านเก็เลยพ่อแล้วก็เลยถามเขาให้ลใหลวงเพลิงหลวงตาในวัดนะให้พระในวัดอนะไปสารมองโนวา่าอ่าบริษัทนี่ที่บริษัทขายเครื่องมือตัวนี้เนี่ยราคามันเทา่าไรพ่็เลยไปประสานเบัง เออประสารบางบริษัทนี้ใช่ไหมที่จะขายเครื่องมือใช่ค่ะราคาเท่าไรสามล้านเขาวะโอ้ถ้าสามล้านเนี่ยอันนี้ทางวัดทางวัดจะเป็นคนซื้อนะเออไม่มีเงินเงินเร็วนะจ่ายสดอแล้วก็ไม่มีเงินค่าคอมไม่ชงมิชชัชนไม่มีนะเงินใตโต๊ะไตอะไรไม่มีมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นละปูดตรงๆมาเลยเออขายราคา ต ร, ตรงตัวเลยจ่ายสดถ้าเครื่องมือถึงวัดแล้วก็เครื่องมือถึงโงค์พิาบาลแล้วก็จ่ายเงินเลยเท่าไรถ้าเป็นอย่างนั้นสองล้านแปดครับขาวานเออล ด, ดลงสองแสนพุทธนะบาหาได้ทั้ง ย, ออ า, ยางพอไอทั้งพระในวัดองค์พอวะ่ะสองล้านแปดมันแพงเกินไปมั้งขอสองล้านห้าได้ไหมขวาแต่ในวัดเนี่ยขวาโอสองล้านห้ามัน มันต่ําเกินไปแล้วครับเอาทางนั้นเป็นก็สองล้านหกก็แล้วกันหนุนสันคาวานะเออเป็นอันวาเครื่องมือตัวนึ่ก็เลยสองล้านหกคนเอาตกลงเออก็ตกลงบ้านเองเขาก็เลยลงคอก็าได้สร้างไรละบ้านสร้างเป็นเครื่องมือมาจากฝรั่งเศสเขวางนั่นนะเออจากนั้นก็ก็เอามาใสในงานนั่ะพอมาใสพ่อมาอมหอดเดือนหนึ่งพ่อมาหอดนะเขาวัดเกี่ยเครื่องมือมาถวายลงคอกรบ หลบอบบบบบยาวมากเนอะวะเอาไปใส่ในโรงพยาบาลจะก่อนเอาไปใส่รถคันว่าใส่ดีแล้วผมไม่มีปัญหาแต่ยังอยเอาเอกสารมาสักต่ามาให้ลงพอพอเอาเครื่องมือแพทย์มาดอกก็ว่าเครื่องมือแพทย์ติดมันติดตั้งกับพื่นใช่ไห่เขาบอกยึดกับเพื่อนบ่อยมันขยับขยเหร่ได้เออแล้วก็เขาก็ตั้งมาตั้งให้เข า, าก็เลยไม่ติดตั้ง พอครบเดือนหนึ่งวันเขาก็เอาเอกาสารมากับคณะผ อ, อ, อ, อทั้งโรงพยาบาลเขามากมากมากให้ลงพอติดตั้งเรียบร้อยแล้วใส่แล้วลงพอเนี่ยเออว่าท่านถึงเดือนนะครับว่าท่านถึงเดือนเกือบจะถึงเดือนละละใส่หลายประเดแล้วอ่ะใส่เกือบสองรอยคนด้วยก่นนะเออบวกลวเบาหวานบวกปบาหวานขึ้นตานะ่ะพวกเบาหวานคนตาเกิดจะหู่พอลขึน้นตามันตาหม้วเมนบอละ่ะมันบ้องปรเห็นเนะี่ย บ้านนี้ต้องใส่เครื่องมือตัวนี้แหละ เ, เขาไปใส่นี่แหละลงพอ่อโอเลืองตาเนี่เป็นสิ่งที่เจ็บจําเป็นสําคัญเอ่อคานว่าคนเท่านี่ยตาบอดเสอย่างเดียวเท่านั้นมดแนว่วลงไปทั้งหูหลวกกันยังไข่ ย, ยุกยังตายัางดีอยู่ยังซอยเจ็บของได้อยู่คานว่าตาบอดเนี่แปลว่ามดสภาพเท่านั้นองหลงตาพันยังซอยองค์สามาหาปู่เป็นก็ซอยเครื่องมือแผล่ซอยมากเลยลูกหลานนะ โรงพยาบาลศูนย์อุดรอของเข้าอันนี้ออโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะนี่แหละอันนี้ก็เดยซอยไปแล้วเนะี่ยเป็นลงตาเอีอของเข้าเนี่ยคนก็บอกว่าอยากจะหาซอยเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ลรงพยาเออก็ดีพ อ, พอโรงพยาบาลเนี่เออเดี๋ยวนี้นี่ยคูเมือเกีย่ยก็มาขอเกี่ยวกับ เ, เครื่องอะไรเครื่องของไอซียูเนีเขามาอีกคนไป หลวงพ่อกับกระเป๋าแห่งพระแห่งในเบญบล่ะก็ยังท่านไห้พรท่นใดละเออเอารับไว้เด้อว่ะนี่แหละคณวชาติท่าญาติโยมลูกหลานได้รวบร่วมจิตุปัจจัยมากหลวงพ่อก็เปิดบัญชีไว้บัญชีนึงเลบัญชีเครื่องมือแพทย์นะบอมเนบัญชีวัดเลหลวงพ่อจะเปิดบัญชีว่าบัญชีหนึ่งเลยบัญชีเครื่องมือแพทย์ถ้าจะตุปัจจัยมันเอเข้าไปหลวงพ่อกัสบสมทบของเครื่องมือแพทย์เก็บไว้เก็บไว้ แต่บางเท่กันเนกันพ่อจะเป็นไปได้ถ้าเป็นเมื่อข้าวกรนก็ได้หายโรคห้รถหารถกลงพยาบาลศูนย์อุดรอนเดย์ราคาสามล้านกว่าบาท่ปลงรถตัว น, นี้มันเป็นรถพิเศษมันมี อ, อ, อุปกรณ์การแพทย์อยู่ในหันเอาไป เ, เรื่องเครื่องช่วยค้นหายใจเครื่องช่วยคน้นหายใจช่วยเครื่องออกซิเจนที่เย็นเอาไป อ, อ, อันนั้นก็ได้ได้ซอยไป ว่าสองล้านกว่าไม่สล้า น, นอันนี้ก็นั่นแหละแต่ว่าเครื่องยนต์ตันนี้ก็เอาตัวเอามันราคาให้มันสูงๆในเด้อ ว, ว่าไอ้คลายๆว่าตอกอนมันมีแต่สองพันสี2สองพันสองันนี้เครื่องมือบาเนี่ผมพกขนอยขอสามพันทอนลงพอเครื่องพันเพราะว่าบางที่ตามเสเดจก็จะได้ดแลนท่านเิดแนวอันน ค่านาวาสองฟันก่อนน้ำแลนแปลงบกคอยท่านไว้ซะเนี่ยเออนี่แหละก็เลยซื้อให้เครื่องมืออุปกรณ์นี่แหละเรื่องเรื่องรถเรื่องหน้าเรื่องเครื่องใหม่เครื่องมือนี่แหละเออมันก็มีความจําเป็นค่านะวาทางรัฐบาลเพิ่นซื้อให้เพิ่นก็ซื้อให้เป็นรถใหญ่เป็นเครื่องใหญ่ไปซะแตเครื่องที่กระจิบกระจ่อยนี่เออบางทีผลก็มาขอกับวัดเท่า พวกวัดเท่ากับพ่อที่ซอยเหลือใดก็ซอยไปบันเป็นซอยเขาได้บาดเซอยพี่น้องประชาชนของพวกเขานี่แล้วเนี่านาเจ็บไข้ได้ป่วยมากเลยก็เอเอเอาขาไปเครื่องใหม่เครื่องมือมันทันสมัยเครื่องมือมันดีก็มีประโยชน์สำหรับพวกเขานี่แหละอันให้สงบุญกุศลที่พวกเข้าได้เสือ้อซอยเครื่องมือแพทย์น้พอว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้ แต่ลงพอเนี่ยติดซอยเสือมือแพทถึงซอยโร่งพยาบาลผู้สอนขอนแก่นเป็นประธานมูลนิธิสองมูลบัดสองมูลนิธิเดย์ในลงพอเนี่ยตูตู่แรกเรื่องโร่งพยาบาลแต่ลงพอกัอ น, นึกในใจนะสัทนยายติโงมนะนึกในใจตั้งจิตอธิษฐานสาธุเนอผู้ขาในซอยโร่งพยาบาลต่างๆบรเมเณรผู้ขาอยากเข้าโร่งพยาบาลได้หวะ โอโดยอาณาสงฆ์ที่ได้ซอยโรงพยาบาลในเรื่องต่างๆอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทผู้บาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยขออย่าให้ผู้ขาดเดืเข่าโร่งพยาบาลเด้อเนีลงพองที่ตัางคิดอธิษานอธิษฐานเนี่เพื่อบรรยากเข่าโรงพยาบาลคัาถึิงข้าวมาก่าให้มันตายป๊อกไปหล่นไปใจขาดไปไหวไปแล้วๆไปวนไ ป, ไ ป, ๆๆไปถึงยังได้เกิดว่าตายแถวๆวนปไปเออเกิดเกิดว่าบกคือว่าจิโยห์หอดพันปีเมื่อนปีวนปไป หลายปีเจ็ดทิศเจ็ดทิศปีนี่ก็ทั้งยากู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดทิศกปีได้ลูกหลานเพราะนั่นพัวเข้าเขื่อนหลวงพ่อคิดว่าให้ตั้งคิดตั้งใจอธิษฐานไวนะ้เรื่องถ้าถึงเข้าวมาแล้วอายุถึงอายุไขมาแล้วพยจัยสังเกตสังเงตอย่าให้แต่เขาโรงพยาบาลสายยันสา ย, ยานี่ ย, ยัดเขาดังเออว่าไม่จะสายใดต่อสายใดคนไปออย่าให้ผู้คาได้พะลุ่งพลั่งจังจัน โดยอเนกสงสีอเนกสงท่านของขาพระเจ้าในซอยพินนองประชาชนได้ซอยพ่อแม่คู่บายจานในซอยเปื่อมนุษย์ชาติในพวกเข้าด้ซอยเขื่องมือแพทย์ในข้าวนี่ข้างนี้น่ะบุญกุศลลงพอว่าก็คงจะเป็นเครื่องเกื่อกูลหนุนพวกเข้าขึ้นกันนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าเปิ่นตรัสเปิ่นกาวไว้ได้เปิ่นว่าดูก่อนสงทั้งหลายถ้าหากว่าพวกเธอท่านทั้งหลาย อย่าปฏิบัติหรือปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัตพลิกษุขใ้ถ้าพวกเธอปฏิบัตพลิกสุขใ้อเ น, นสงบุญกุศลเท่ากันกับปฏิบัติเราตถาคตไปนั่นแหละอันนี้กับพวกเข้าได้ซอยกันด้วยเครื่องมือแผลงล้มคอกำบันใจว่าเป็นการบุญเป็นการกุศลสําหรับพวกเข้าให้ตูแลยางน่อยก็ยางน่อ ย, ย, อยเออพวกนนะผมผมมีศีลมีถ้ำละ่ะ เนื่องจะเป็นสัทธาญาติโน้มกับเป็นผู้มีศีลมีธรรมเข้าไปป่วยในโรงพยาบาลมากกว่านักพระภิกษุ ส, สงฆ์สัมมเน้นที่เจ็บไข้ได้ป่วยผล เ, เป็นโรงพยาบาล อ, อย่างที่ลงพอให้เครื่องมือตาจึงสิแล้วบ่มเมืนมีตตาแต่สัทธาญาติโน้มนิษฐาพระตาเจ้ากับมีคือการเม่นบลาการเป็นตาพระกู้บาลจานันเป็นโรคตาจึงตาไม่บาหวานันคืนตาจึงี่ แต่ที่ว่าเบ า, เบาหวานขึ้นตานะที่หลงพอหายข้าวนี่ยบางที่กู้บาลจานพระสงฆ์ไปเขาก็ต้องไปใส่เครื่องใหม่เครื่องมือตัวนี้คือกันเพราะนั้นพวกเขา้าชัดทายาดโยมที่มีกิจชัดท่ามีมีดลงตาผ่อมได้คิดวัดดงเราขําของเข้าสํานักสงฆ์สำนักสงฆ์งดงเราขําของเข้านี่ผล เ, เ, เป็นประธานในการที่ หลบล้อมท่าทายหยาดงจัดเป็นผาปาขึ้นมาาเพื่ อ, เ, อเครื่องมือแพนน่ะหลวงพ่อก็จะน้ำขอไปจุดประสงค์นั่นลหละพอหลวงพ่อเปิดบัญชีไว้แล้วในเรื่องนี้แต่ว่ามันพ่ออันใดมันจะเกิดประโยชน์ต่ อ, อประเทศชาติบ้านเมื อ, องต่อศาสน า, าสิ่งใดหลวงพ่อก็จะซอยเอาเขาจุดนั้นให้มันเกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนต่อคนทางศาสตร์ทางชาติวรัณคดีพวกพี่น้องสัาญาติโยมทางหลายเนอะที่ได้ยินหลวงพอ่อวอลหลวงพอ่อได้ช่วยทางโรงพยาบาลเนี่เป็นส่วนหนึง่งลงเลี้ยอีกส่วนหนึง่งโรงพยาบาลอีกส่วนหนึง่งแล้วก็เ น, นี่ยนะ เลือกพระเจดีขององค์ลงตามหาบัววัดป่าบันตาดเนี่ค่อยฟังให้ขึ้นกันนะอันนี้แต่ช่วนหนึ่งขึ้นกันเนื่องการานักทาญาติโยมแต่ถึงอย่างไรก็ตามที่หลวงพ่อว่ า, าวเกาให้ฟังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็่ให้พวกเขานักอกนักใจมันมีมาเท่าไรเราก็ทําไปแต่บมแต่ว่าการบอทำจะเลื่อนอันนั้นหนาตํานี้นะเกิดมาทางที่ชีวิตเป็นพระพุทธศาสนาแล้ว จนวันหูยักษ์ทำบุญทำท่านจะเลยกบบระโบถูกนะคานาวาพวกเข้าท้ำจนเกินเกินตัวก็ไม่นบบัวหนาจะเป็นยังสั่นคลื่นกันแต่ก็โดยมากยากโยกปฏิทำทงานทำบุญเกินตัวนะโดยมากไม่แต่ว่าหน่อยเกินไปหน่อยเกินไปแต่ว่าถึงจะไดกระตากไปหูยักประม่าณเจ้าของนั่นแหะเข้าเป็นสร้างเข้าเป็นสร้างเข้าสิบแบด ข อ, อนุ่งข อ, อนอย่างไดนะไปหาบักแบกไม่จี้มแข่ามันกระบอแเมนแนว์บอมเมเนลอะไรไปทานะเขาเป็นหมดเขาจะเป็นหลากขอยุ่งข อ, อนอยางมันกระบอกเมนแนลคือเราเออมันต้องจักประมอันเจ้าของอันนี้คือกันอ่ะการสร้างปุ่นสางขุศลการทำปุ่นที่รพอในน้ำบอกก่าวไปนีก่กับเพื่อเป็นผลทางเบื้องต้นอนะไปทานะคือการเสียสละ ก็เมื่อการเสียสละเมื่อคนพวกเข้าในถ้ทำบุญทําท่านเกิดมากพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดบอยอยหยาบพอในสงท่านเกืือกโกลน์น์ถึงจะเกิดเป็นแห่งกิดีกว่าแห่งตังค่าหน้าถ้าเคยไปเกิดไในมูกาก็เป็นดีกว่ากาทั้งรลอยทั้งห้อยคนบัวล้านเพิ่นวา่าสาําหรับแห่งที่มีบุญกาที่มีบุญอะไรไปดีกว่ากาทั้งหลาย ธรรมะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีกว่ามนุษย์ทั้งหลายก็ไปเกิดในภพภุ่มใดก็ดีกว่าภพภุ่มนั้นๆเพราะเหตุใดเพราะบุญกุศลของเข้ามีเพราะนั้นเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่นะ เ, เป็นพวกเข้าข้นสังสมพอเกิดมาพบในชาตินี้นะพวกเขานับว่าโชคดีอย่างมากได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะหลวงเข้าได้ระพิริฏิบัติ เแล้วก็ให้ท่านแลักลักษาะศีลก็ให้ภาวนานี่ยแต่เรื่องภาวนาเนี่หลวงพ่ออยากเน้นหนักพวกเข้าคณะสัทธาญาติโยคทุกข์ทุกขนข้นนะในพรรษานี่ยพรรษาเ น, นี่นก็ผ่านมากก็ได้สิปามอือกว่าๆนะแล้วก็ถึงยันได้ก็าตามก่อนนับก่อนนอนพวกเข้าควนจะไหวพระสก่อนอลาหังสวาขาโตสุปฏิปนน้อแล้วก็พุทธทางธรรมบางสังขังสน า, นางังคัจฉามิ อ, อแล้วก็อิติปิสโสภควาทไดนะเจ้าหน้าก็แพรเมตตาอีวันข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขจังไดผู้อื่นสัตว์อื่นวิญ ญ, ญาณอื่นดวงใจอื่นๆทุกดวงใจ ข, ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพระเจ้าปรารถนาทุกปุกดวงใจโดยเทอินอันนี้คือแพรเมตตาร้วนนะ อันนี้คือพ่อแม่คู่บ่าจานพระธุลฎกกรรมฐานหลงปูเสาหลงปูมันะหลงตามหาบัวหลงปูหลาหลงปูหลาเนี่ยเป็นสอนสอนหลวงพ่อน่ยสมัยหลวงพ่อเป็นแน่นนอยนะเป็นหลวงพ่อยู่แน่นอยหลวงพ่อยานเลยอยู่ในผู้อยู่ในธรรมผู้จะก่อองค์เดียวอยู่ในน้อยพ้นหลวงปูพิชินค้นอยู่หลังธรรมผู้นั้นหลวงพ่อยู่ในธรรมเอกระยานผีนั่อยู่ในธรรมเมนบัล่ะบัวตองยานนั้นแน่นนอนนะเออให้พระเจ้าพระวนาไหวพระ พ่อไหวพาณะแพ่เมตตาแพ่เมตาเมตานาี่ยคืออยงสี่เนอข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขผู้อื่นก็คืออย่างคือผู้ผีปีศาจผู้มะลุคะเทวดาเอ้ยไผก็ตามที่ดุงคิดเจา้าจิตมิดจิดตวิญญาณข้าไปเจ้าต้องการความสุขจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนา ให้ทุกทุกดวงใจทุกทุกดวงเวทยานโดยเธอให้เข้าแพร่เมตตาจังสี่คนแพร่เมตตาจังสี่เลยจูใจผู้มารุกหัดเทวดาทั้งหลายผีทั้งหลายแต่เพะม่านล่างแกเบียดเบียนเพราะว่ามามานเบียดเบียนเข้ากับใครๆว่ามันเป็นทุกข์เลยเข้าเป็นทุกข์เลยเขาเข้าก็ต้องการความสุขเขาก็ต้องการความสุขเพราะฉนั้นยาเบียดเบียนกันยาล่างแกกัน ให้เข้ารบชึกกันและกันเนี่ยนี่แหละโยโย่ไปโยกบางไายเป็นทุกทั้งเมตนะขันค้อนมีเมแพเมตตามีเมตามเมตาในจิตในใจหลวงปู่หลาเป็นสอนจงรงยาควรนั้นหลวงพ่อจึงบอกกับคณะสัตท่าญาติโยมลูกหลานก่อนรับก่อนนอนเอ้าแพเมตตาสกอรน์เนอเป็นภาษาใจของเขาแล้วก็ตื่นนอนมากับแพเมตตาสกอร์ขาไปเจ้าจงเป็นุกผู้อื่นจงเป็นชก อ, อย่างที่ เขาได้คิดนะะรับและตื่นเป็นซุปท่านนะทวาเว่นไพท่ท่จะมากรใส่เข้าใหม่นี่กอบวถึงกอบอวเถกคนบ้าเพราะอะไรเพราะว่าเข้าเขาตบมือขางเดียวเขาปวาตบหลับคนนะคันนว่าเข้าผูกพยาบาทอาฆาตจองเว่นต่อเขาเขาเขาจองเว่นต่อเข้านี่เว่นมันจะบวระงับมันจะกอกกำมกอเว่นไปเลยเลยเพราะคนบวมีเมตตา คนไหนมีเมตตาให้จิตให้ใจเนอะวันน่ะพอแม่ผู้บาดจานของเฮานี่ถึงจะไปโยป่าซาถึงจะไปโยถ้าโยเฮลยึดจะไปโยวัด เ, เก่าเราห่างบอกได้ก็ตามที่หมองผีเพชรตรงผีเค็ดๆหน่อคนไปโยเลยโดยมากคนจะแพ้เมตตานี่แหละเป็นรักนะการคนแม้แพ้เมตตาสิ่งรอบหลานรอบห้านหลอกขางทั้งหลายก็เป็นมิตรเป็นสหายเป็นมูเป็นเพื่อนของพวกเฮ้า บอกเป็นผิดเป็นไผ่นี่แหละอันนี้ก็ให้พกทัดท้ายาโจน์นะกอนกอนรับกอนนอนกับไหวพ้วพระไหว้พระเล้วแผ่เมตตาอย่างว่าเออแล้วก็นางพาวนาปานินงางวนาส ม, มุทรเขาเท่าไหร่อายุเขาเท่าเด า, ายุเขาเท่าไดร่กิบปีคนหนึ่เอเ อ, อให้นับลูก ป, ประคัมก็ได้พุทโทเออพุทโทไปว่านับหนึ่งพุทโทนับสองพุทโทนับส ให้นับให้มันครบให้มันครบอายุของเท่านะเออก่อนนอนตื่นนอนมาก็ให้นับให้ให้ครบพุทธโธครบอายุเจ้าของอีกได้เพียงแค่ น, นี้ก็ดีแล้วท่านถ้าได้มากกว่านั้นแห้งดีไร้คนออกไปเออผู้ขายจะนับอายุทอนับพุทธโธทรออายุของขาพระเจ้าเออแล้วว่าพุทธโธธรรมโมสังโคกดลุกหนึ่งพุทธโธธรทมโมสังโคกุดหลกหนึ่งหลกที่สอง พุทโธธรมโมทั้งโคโกคตต ก, กที่สามเลยทาลุปดปนระคำได้ใชเอ่อหรือพวกเขานันงจับนับข้อมือก็ไดเอาไปนี่แหละเออให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธคบชีวิตคบปีเกิดของเจ้าของได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วถ้าได้มากกว่านี้แห้งดีร้ายกว่าหนไปนี่แหละให้พวกเขาภาวนานะ่การภาวนาคำเลยนะเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในหลักของพระไตรปิฎ เพรา ะ, ะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเข้าให้มีท่านพวกเข้าก็พี่ระลักเดินท่านนะเรื่องการักษาศีลรักษาศีลหาก็ดีเออพอสาหรับผู้สูงอายุในระดับหนึ่งพ่อจะมีศีลหาได้กับรักษาศีลหาซะเออเพราะว่าเข้าทํามากค้า ข, า, ขายเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามา ก, กับพ่อแห้งแล้วละ่ะเออมาถึงจุดนี้เข้านี้แล้วลกับพ่อจะปล่อยว่างได้แล้วลกับปล่อยว่างให้ลูกให้ล้านเขาเห็ด เข้าเป็นผูดูแลเป็นผูเห็ดอย่อื่นต่อไปไอ้แฮมีศีสิาเนีมันก็บนแฮมี่อย่างสินหาคือเคือบัให้กขาซัดบับกรโมยซับเข้าทํามะค้าขายอย่างอื่นเข้ากับธรหมอทํามะค้าขายได้เออมีแต่ว่าตัวที่สี่เดี๋ยวนีตัวกี่ตัวหนึ่งบางที่มันเคยตัวมอก็แยงแล้วมันก็ไล้ตัวต่อเข้ากับะว่างละว่างสักน้อยสะจุดนั่นกอนไปตัวคอกี่ตัวตัวกินเหล่าเนี่ยเขาก็จะไปหากิน กินเหล่าเม่ามันบอกเป็นแนวดีดอกอพอแมฆผู้บายอาจารย์เพื่นว่าคนที่กินเหล่าเม่าจุราเกิดมาพบนายชาติหนาจะเห็นหนังสือเปึกเห็นหนังสือบอกขาใจง่ายเห็นหนังสือยากแล้วก็ฟ้องการถ้ากินมากกินหลายๆหนจะเป็นเกิดคือมาพบนายชาติหนายจะเป็นคนเอ่ไอไอย่างเออเป็นบ้าใบเสียจิตเป็นบ้าโนงง่าย เพราะอเนกสงแห่งการกินเหล่าอย่างพวกเข้าเห็นนี่ะแต่ย่างตกศกเตกๆน่ยเพราะให้ใดคนผู้บาอาจารย์ถามคนเขาพี่บาปกรรมไม่ยังเขาเป็นยังสิกินเหล่าเป็นวางาจารย์เนี่ยอพวกเนี่พวกดื่มของมึนเมาเพราะนั้นเข้าเห็นแล้วเข้าบอกข้อนจะเป็นจังสั้นออนไปแต่ข้อจะเป็นมีสีมีถ้ำเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว ตายแล้วมอดศูนย์เลยคณะสัทธายาโยมเลยตายแล้วเกิดอีกแท้ๆโบราไปเ อ, อียืนยันไปเ ล, ลื่ยแหะพ่อแม่ผู้บายจารัดลบปูเสาลงมกุมันล้มตามหาบัวลหลวงพ่อนี่ยนะตัออ้งแต่เป็นแน่นตั้งแต่เป็นพระมาเนี่ยเป็นพระของหลวงพ่อเนี่ยปีนี่เป็นหาปีหาสิบสามปีเลยได้เป็นพันสาพระนะและ้วก็เป็นพันพันศาลแน่ดิกแปดโบราไปรวมเลยเป็นหกสิบเอ็ดปีเลย ชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยท่านเมื่อครูบาอาจารย์ลบงรูเทศหลวงคูขาวหลวงคููฝันหลวงคูอ่อนหลวงคูแหวนครูบาอาจารย์ท่านเมื่เกือบมัดุกองมีแต่คนยืนยันยว่าตายแล้วเกิดบ่แม่ น, ม, นมีองค์ใดและปฏิเสธว่าตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนก่ อ, อนอยา จ, จะลูกว่าตายแล้วเกิดเหีพ่พาวนหน้าเนิม ขันพ่อวานาจิตใจร่วมสงบเป็นหนึ่งนะพอจิตใจร่วมสงบลงเป็นหนึ่ง่ะเข้าจูงหูจักเลยร่างกายของเข้ากับใจของเข้าใจกับเพ้ากับกายของเข้าร่างกายเนี่ยเป็นว่าลูกประทับแต่จิใตใจเนี่ยคือว่าน้ำประทับเราศิลละร่ำที่เข้าในน้ำสั่งสอนที่ที่เขาปฏิบัติจิตจากรพ่อวานาพุทโธพุทโธนอี่ เ, เป็นว่าน้ามมาำประทับเขื่อน หน้า ม, มาัทธรรมเขา่าเข่ากับน้า ม, มาัทธรรมลูกมัทธรรมคือเข่ากับลูกมัทธรรมแต่ร่างกายของเขามีสองมีร่างกายนี่คือลูกมัทธรรมแต่จิตใจคือน้า ม, มาัทธรรมแต่นา ม, มาัทธรรมในหลักของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ผู้บาอาจารย์พระพุทธเจ้าพันธัยความสําคัญเรื่องน้า ม, มาัทธรรมนี่มากกว่ามากกว่าร่างกายผลวันร่างกายนี่ จิตเป็นน้ายกายเป็นเบาจิตจิตใจเป็นน้ายได้ดังร่างกายเป็นเบาเป็นลูกน้องไปเพื่อจะงหวะมโนปุพังเขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั่นใจของห่าเนื่อคือเป็นหัวหน้าเป็นโซเฟอร์เท่าระเปรียบกับร่างกายของห่อเป็นรถนี่ยนะร่างกายของห่อนี่เป็นเป็นรถแต่จิตใจของห่อนี่เป็นโซเฟอร์ คันเมื่อโซเฟอร์เข้าขืนขืนมาเนี่ยท่างโบดีปล่อยมัดปล่อยมุวยออกไปการกระทําออกไปในท่างที่ผิดมันก็พิษเดไปในท่างที่ถูกมันก็ถูกคนออกไปเพราะนั้นเรื่องใจเนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสาคัญที่พวกเข้ามาเข้านี่มานางังมาถ้ำบุญสางกุศลเข้านี่ก็มาเพื่อประกอบคุณง่ามความดีเพื่อเอาบุญเอากุศลเข้าสู่จิตเข้าสู้ใจของเข้าเอาน้ำมาถ้ำน่ะน้ำมาทำคือบุญ เขามาสู่น้ำมาท้ำคือใจเทานนนี่แหละใจของเท่าะเป็นใจที่มีบุญแล้วนะเออพจที่มีบุญแล้วไปเกิดให้พบใพภูมหในกันดีทั้งมัดปันวาเพิ่นยังยกเป็นพุทธภาิวีวาปุญญานิปันโล ก, กัจมิงปฏิทาโหนตีปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนา ขนมีบุญเข้ามโลกนี่ข้นมีบุญไปใสเหตุงานอย่างกับประสบผลสําเร็จพ่อเป็นตาได้ก็ได้พ่อเป็นตามีก็มีพ่อเป็นพ่อไปพ่อเดือดรอ้ อ, อนเพราะอเนกสงบุญ ข, ขุ่มคล้องการออกจากภบนี้ชาตินี้ไปแล้วกับไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์สั่นฟ้าได้เพราะนั้นขอให้พ่อเข้านะคณะทา่าญาติโยมลูกหลานทุกู่ทุกคนนะที่ได้ยินที่ได้ลงพอได้บอกให้นําไปคิดในนําไปพิจารณา นำไปกันกล่องเออแล้วก็ปฏิบัติตามศีลตามถ้ำที่หลวงพ่อเนีพูดได้กล่าวนี่แหละเออจะเป็นบุญเป็นกุศลติดพบติดชาติต่อไปไพ่ภาคนาและก็ะพร้อมกันเพราะพุทธเจ้าพลวัลร่างกายสังขารเนี่เป็นของบท่เทียงเนอะอีกสักเมื่อหนึ่งมัถึงจุดจบของมันถึงข้าวตายแต่พวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาททั้งยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนอะประโยชน์ตนเกิดขึ้นเะนี่ะ วายพระสวดพ้นนางภาวนาประกอบคุทธง่ามความดีนะ่ะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็นี่แหละพวกเฮาช่วยเครื่องมือแพทย์นี่แหละประโยชน์ประโยชน์ท่านเฮาก้อซอยเครื่องมือแพทย์รวมร่วมจะตุกปัจจัยคนละเหล็กคนละหน่อยรวมร่วมกันว่าจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อสาธารณชนนี่แหละประโยชน์ท่านนี่แหละเฮาข้อปฏิบัติตามถาม้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าจะวาไปแล้วนะ เท่าก็มั <cat> ่งดูร่างกายสังขานใช่ร่างกายสังขานแต่เท่าถึงจุดจบแน่ล่ะแต่ประโยชน์โตเท่ากันน่ะไหวพระสวดม่อนนางภาวนารักษาศิ่ก็จะได้ใหญ่หางเหินและก็ประโยชน์ผู้อื่นเท่าก็บรวบรวบจนทุกปัจจัยซอยสาธารณประโยชน์อย่างซอยสางพระเจดีพงลงตาบั้งซอยเครื่องมือแพทย์บั้งแล้วก็ซอยถนนคนทางอีอย่างที่จะเกิดประโยชน์ซอยสางพระพุทธปฏิมา สางวัดสางวาส น, นี่แหละประโยชน์ท่านต่อไปกันเรี่ลากรได้รับบุญรับวับรับบุญรับกุศลเข้าสู้จิตเข้าสู้ใจของพวกเฮ้าเนี่แหละขอให้พวกเล่าพนัทธาานี่ยงทุกปู่ทุกค น, กค น, นเการกล่าวสมโิดนิยกถาเน่นมื่อนี่ก็เห็นว่าส่งควนกับการเวลาและก็พร้อมการลองอคอจที่มอบหนังสือธรรมะกับเอ็มที่สามให้ลงตาผมเด็กคิดของเหานี่แหละ จะเอาวาดคนน่ะให้แจกลูกแจกลานาให้เป็นตัวแทนของหลวง พ, อพว่อคนใดอยากฟังเทศหลวงพอ่อเปิดฟังเลยเอฟังประยักษ์ประซักกันจะสักกันนะแต่ฟังด้วยความสงบเลยเวลาทางรถไปกับเปิดแล้วก็ฟังไปต้องคุยกันนะอจะได้ความรููความฉลาดหลวงพ่อรับรองรับประกันมัดทุกคาพูดที่หลวงพ่อว่าไปนะโมเมนต์โมนเมนต์อารแบบสนุกสนานแล้วก็อารไปโมเมนได้ หลวงพ่อมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังนะถ้าพวกเข้าตั้ง อ, อกตั้งใจฟังแล้วจะเกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังเ อ, อในเอพิธีสามของหลวงพอ่อและหนังสือของหลวงพ่ออีกนะเพราะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าเอหลวงพ่อเองก็จะจะกลับไว้ไว้เพื่อการอนญาตนํำข่มท่ากันไป <c oughs> <c oughs> เออเอาเ อ, อการกาวการโพดในวันนี้ก็เห็นว่า เหมาะสมสงควกวนการเวลาด้วยอำนาจคตดภาษีรัตนารัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มากขุมคล้องพวกคณะชัท่า ญ, ญาติโยมพระเนรลูกหลาน เ, เจ้าอาวายขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอคอยสมหวังดังปราถนา ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธอ